พิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1201 1พันสองรหนึ่งหนินีสงสนานเพราะมีเหตุผลคืออาพาธสองพิกษณีวิกลจริตสามพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่หจบ